แนะนำบทอัลมุมตฮีนะบทนี้เป็นบทบานญยะมีสิบสามองค์การในตอนต้นของบทถูกประธานลงมาเป็นการตำหนิหัดิอิบุอบีบัลตาขณะที่เราเขียนหนังสือถึงชาวมักกาแจ้งให้ทราบว่าทรารซูลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้เตรียมตัวเพื่อพิชิตนครมักกาแล้วนอกจากนี้พระ <rs> องค์ยังได้กล่าวถึงระเบียบ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 บรรดาศัตรูของอัลลอ์ซึ่งพวกเขาได้ทำร้ายผู้ศรัทธาจงกระทั่งเป็นเหตุให้มีการอพยพละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนบทนี้ได้ชี้แจงถึงความใกล้ชิดความเกี่ยวพันทางญาติและความเป็นมิตรกันในการดำรงชีวิตอยู่นี้จะไม่อำานวยประโยชน์อันใดแก่มนุษย์เลยในวันกิยามะนอกจากการศรัทธาและการงานที่ดีบทนี้ได้ชี้แจงถึงความจาเป็นต้องสอบสวนบรรดาผู้ศรัทธาหญิงที่ลีภยัย และไม่ได้ขับไล่ผลักใสพวกเธอไปหาพวกปฏิเสธเมื่อเป็นที่ประจักษ์ถึงความศรัท ธ, ธาของพวกเธอและไม่ได้ลงความเห็นว่านางอยู่ในความคุ้มครองของพวกปฏิเสธศรัทธาแล้วได้กล่าวถึงข้อที่ขาดการทําสัญญาของพวกสตรีกับทัลลอหศซัลลัลลอห์อะไรวะสลัมและเงื่อนไขการทําสัญญานี้บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนบรรดาผู้ศรัทธามีให้ครบรบรรดาศัตรูของอลัลลอฮ์ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตร สาเหตุแห่งการประทานบทนี้ขณะที่ท่านรอซูลสันลลอนลฮุอะไลวะสัลลัมได้จัดเตรียมกําลังเพื่อพิชิตนครมักกาอยู่นั้นฮดีบอิบนヌอบีบันตาได้ส่งสารไปยังชาวมักกาเพื่อแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบว่าท่านรอซูลสันลลอนลฮุอะไลวะสัลลัมตั้งใจที่จะบุกพิชิตพวกท่านดังนั้นขอให้พวกท่านระมัดระวังไว้ด้วย สารฉบับนี้ได้ถูกส่งไปกับหญิงผู้เดินทางคนหนึ่งแล้วเราส่งประทานองค์การลงมาให้ท่านรอซูลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมถึงได้ส่งอาลีอิบนูอบิโตลิฟสุเบตและอัลมิกดารออกติดตามไปโดยกล่าวว่าพวกท่านจงออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งชื่อเราดอคคอซซึ่งอยู่ห่างจากนครบรินาประมาณ12บสองไมล์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 นางจึงส่งสารออกมาจากผมเปียของหนากแล้วเราได้เอาสารนั้นมามอบให้ท่านนับีสลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลมัมปรากฏเป็นสารจากฮัดีบถึงมุชรีกีนชาวมักกาจิงถ้ารอซูลจึงกล่าวว่าอะไรกันนี่ฮัดีบเขากล่าวว่าโอ้ท oh, ่ารอซูลโปรดอย่ารีบตัดสินแก่พวกฉันเช่นนั้นความจริงฉันเป็นผู้มีข้อผูกพันกับพวกกุเรส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 อัลลอฮ์นั้นส่งช่วยเหลือท่านให้มีชัยชนะเหนือพวกเขาอย่างแน่นอนท่านอับดุลลลอห์อะไรวะสลัมได้ตอบว่าใช่อุมารระดีลล์ฮุยอันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลปล่อยฉันฟันคอมูนาฟิก ค, คนนี้เถิดท่านรอซูล์ซัลลัลลอห์อะไรวะสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงเขาได้เข้าร่วมในสมรภูมิบาดดัศใครจะล่วงรู้ได้บ้าง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 ด้วยพระนามของ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي ตุสรรูนอิลัยฮิบิลมวดติว่านะอ่าลมบิมาอัคภัย تم ว่ามาอ่าลั้น تم ว่ามันยฟัลหุมินคุมฟักด ض ลสวอ ء สสบีลโอ้พุษธานทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้คบสตรูของค่าและสตรูของพวกเจ้าเป็นมิตรโดยความรักใครแก่พวกเขา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 ن َ بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَوْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ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 ขอพรองอย่าทรงให้เราเป็นที่ทดสอบของบรดาผูป้ปฏิเสธศรัทาโอ้พระพว้อิบาลของเราแท้จริงพระง์งท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงปรีชาญาณความจริง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 ออลบางที a ล l a h อาจจะทรงทําให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขาแล้วล้อเป็นผู้ทรงอนุภาพแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอลอันหักุมล l l a h แก่ทีลนั่นแล้ม่ได้ติอสู้กับพวกท่นในเรื่อคนี้และไม่ได้ใกท่านออกจาองพน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 แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ยุติธรรมทั้งหลายอินน์มะยันฮะคุมอัลลอฮฺอันอัลเลดีนกาตัลุคุมฟิฎฏีลิวะอัครจุคุมมิยัดียาริคุมวะฎาฮฺรูวะฎาฮُรูอาลาอิกราจุคุมแอนต์วัลโหลฮฺมวะมิยีต์วัลโหลฮฺมฟาอุลัยค์คือมุฎฏาริม